เวลาตามเวลาทุกคนทุกได้เวลามีค่ามากทุกคนทุกได้เจอว่ารเราเปลี่ยนพูดคำพูดท่านคือประโยชน์น้อยที่สุดผู้การกระทำไม่ได้การกระทํานี่หลเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําเมื่อทําแล้วจะได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ที่เราทนั่นแหลดังนั้นการจเจริญสติเป็นเดียวกันให้เราเข้าใจาว่าสตินี่มีคำพูดมาก ปกติคนระลึกได้พูดอย่าคนพูดอย่างนั้นอารได้น่ะมันระลึกมืลล่หลายเมื่อไ่ได้ระลึกปีที่แล้วเมา่อได้หรือจะระลึกที่ไหนก็ได้ น, น่ะอำนาของปีกติคนระลึกได้มีในธรรมชาติฐฐแต่ที่ตัวของหลวงพ่อพูดอยู่ให้รู้คันในขณะที่มันเคลื่อนไหวนั่นเองไม่ใช่หลักทิ้ตาเลือดใตยแนวหัว ตั้งเาาใเานี่มาูนั่ม่กเลย ด, ดูได้กลังาเนกับารู้กาลังทกะแม่อ้อมมือสำขกันแล้วเอามือว้าวนี่มือสำขะันแล้ ว, อ, ลวอันนั้นกับอไรเจ้าหอกคอคนอื่นจะเอายังไงกับแล้วมีประโยชน์อะไร ร, ร, าารู้ประโยชน์ควารู้เข้าถกับปัจจุบันจริงๆปัจจุบันกาลังเพียรในกรู้รู้กันรู้รู้แล้วบรรลุจะอ้อมมืามาขยันที่จะม่รูนั่นไม่เคยดูมันซึ้ง อันนั้นจะมันเป็นลักจริงหรือมันมากที่สุดดังนั้นที่นามาเล่าให้ฟังวันนี้แล้วทํอด่างนั้นจะได้ประโยชน์อะไรแต่คนอื่นจะได้รับก็ ไ, ไม่รู้ไได้รับเรา่ทำอย่างนั้นประโยชน์ทีเกี่ยวข้ง ใ, ในคำหมายแต่ละขั้นไม่ต้องเข้จนกเข้าใจว่าพระทเจ้าสอนเรื่องนี้แม่กล่าวพระพรุทธเจ้าว่าทํานี้ ถ้ามันเป็นอันนี้ทำอันนี้มันจะหมดนะเข้าใจน่เหมอกับเราล้างเครล่องจางถ้าเราเอาน้ามาเทไปเครื่องด่างแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรไหมเอาน้ำล้างจานน้ำล้างจานเศษตัวจานแล้วเอาน้ำเข้าไปเทเนื้อจานก็เป็นสะอาดวันนี้ไม่ใช่พูดก็ได้นล้างจานเอาน้ำลงมาเทจะให้ดูแล้อกมือถูถูจานเอาน้าไปตาแมันไม่สะอาดเอาน้ำใหม่สะอล้างจาน เราจะพูดเวลาก็ได้หรือไม่พุดวลาจได้แล้วก็เอาหน้าไปเทอัมนี้เป็นวิธีที่หลวงพ่อสอนให้ศรีฤทธิ์ของเอกรองพ่อเข้าใจอย่างเว่าความทุกนั่นเมันจะมีหลายประเภทหลวงพ่อเลือกจความเคลื่อนไหวสุดเข้าใจแล้วสุขุนให้ฟันอเายนะความเคลื่อนไหวเปงทุกส่วนการเคลื่อนไป็ทุกอย่างพยายามแนะนให้ทุกคน นู้จักทุกอ่าตอนที่จะไปพูดให้คนอื่นฟังเจ้าของแห่ใจเลยได้ยังพัฒนาเลยได้ยังทำพัฒนาคนอื่นให้สบายมากที่สุดเกี๋ยวไปเล่าให้ฟังท่านเองแ ล, ล้วเขาจะรู้ก็ได้ไม่รูก็ได้แต่ว่าตัวเองให้เขาใจจริงจริเนี่ยเป็นสาเหตุขอตัวเองเมื่อพัฒนาตัวเองแล้วคนอื่นให้เป็นปัญหาแต่เมื่อเราไปเป็นปัญหากับคนอื่นตัวเองนี่มันสามีเ น, นี่ยบอกว่าทำ อย่างนี้มัน เ, นเกิดใจครับเนมันกำไม่ตรงความรกเตือนดังนั้นพวกเรามาที่นี่ต้องปฏิบัติตามข อ, ขอเชิญเภวาหลวงพ่อเคยพูดไรนี้มานานเป็นคนที่นี่ลงพ่อไปที่ไหนตัวดงพ่อเองเป็นคพูดไม่ใช่สาราพูดไม่ใช่ที่รักพูดไม่ใช่สกุลพูดแต่ตัวคนพูดตัวคนไปที่ไหนก็ต้องพูดรวมทีนี้วรื่ัจจั คือนคนจริงถ้าพวกไม่จริงแล้วมันก็เป็นไม่จริงใบไม่ ใ, มในป่าใทามีมากแลวจะมาเป็ญญนยารักษาให้ลกไหมเกี่ยวกับเมืออวนันนี้เราจะพูดทังวันของเราแล้ก็เหนื่อยคนที่ฟังก็เหนื่อยคนที่ต้อ ง, งนนดังนั้นสู้การกระทำนี่นเเคลื่อนไหวรู้สึกเื่อไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวรู้สึกเหนื่นอนน้บกาปิบัติตอนปฏิบัต แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันรู้เรื่องแบบนี้านมาเนคพมิดมันรู้สุดรวมรู้สุดนั้นจะเป็นการปฏิบัติธรรมเนาะทกกํากหนดรู้คือ ก, กําหนดการคนไหวนเ น, หนี่ยมาเทุกําหนดรู้มันสมมุติไทยทาให้ทุกเกิดนะตัวสมมุติเห็นตัวคิดนั่นเองเมื่อเราไม่รู้มันก็คิดออกนอกตัวเราไปมันก็เป็นเรื่องเป็นราปรุงเรื่องนั้นเขามาปรุงเรื่องนี้เข้ามาอะคือการคิด พราะเราไม่รู้มันเองเพียงจะ่พูดว่าทุกกาหนดนี้สมุทัยต้องละละทำไมติองดึงละอันนี้ก็แสดงว่ารู้แต่ไม่รู้ <c oughs> ที่หลวงรู้แต่ไมรู้มันลูกเข้าไปในคําพูดลูกเข้าไปในทางการทำไม่จะละสมมุทัยต้องละคือพอดีมันคิดๆวกมันหยุดเองนั่นที่เลวพอพูดว่ามันตัดแต่ช้างควาว่าตัดนี่มันตัดหลายอย่างตัดแล้วมันจะไม่หลงถอยเลย มันจ็ไม่เปจรเลยนี่แมัันนเองดังนั้นคือว่าให้เห็นขกิตเมื่อเห็นของิตแล้วมันจะอัตูกันเองเนื้อสมุทระ้มากต้องเจริญมากก็คือดูที่เจริญเพราะว่ามันวางก้าวากองทําบบอลก็ตงรู้ที่เนเหมือนกับพวกหูเดืนนงสือเลียนคอไก่วันเดียวไม่เป็นสองวันไม่เสามวันสี่วัน เอาไม่เคยติ0วันหนูเรียนหนูก็ขายที่วันเอาเียนตัวเดียนะตันจะเป็นไหมเขีบายเขียนตัวนี้จะตวันใเขียนตัวเดียเนี่ยเปลี่ยนวันนี้เอาขอไขรึ้มาเอาตวันอ่าอีกติดตัวนี่ตัวละิวันตัวละเียงเนตัวเดียน่ยมันจะเป็นอันนี้เรามากต้องเจริญเดริญมันเป็นต้องกาเจรินเขียนก็ตก็หัวแรกเขียนมันจะไม่สวยไมงานะ มันพยายามเสียบไปเสียบไปมันก็กระด่าเพื่อนกระด่างเพื่อนตัวเองอันนี้อ๋อมักต้องเจริญนะครับมีโลดทําให้แจ้งเมื่อทํำมันก็ขาวกับคนเจริญมัให้ไพ่ไปเลยบ่อยๆมันก็ต้องสวยเข้าสวยเข้าจะไปด้วยกเจริญมักต้องทําให้แจ้งรู้แจ้งแล้วมันก็ต้องเจริญเจริญมันก็ต้องดูแจ้งเสียมักต้องเจริญจะได้ก็ต้องมักตีทา คือเรามักเวลานี่แหละเวลาเท่านั้นออกฟังเท่ากับที่เรามากนะักเอาให้เต็มเวล า, เวล า, านะเลนเรามักเจริญเนอาได้ฟังเวลานั้นเท่านั้นก็ได้ว่าจจเจริญแต่ว่าทําให้แกล้งมันพูดกลับไปกลับมาจะทำอย่านั้นดังนั้นการเจริญอันนี้ไม่ใช่การเจริญไปนั่งอย่างนั้นพูดอย่างนี้อนนั้ปอีกเรื่องหนึ่งพูดเป็นเพียงคำพูดให้ฟังตัวการกระทํา ก, ทกับคาพูดเป็นคนละอันนะ ดังนั้นการกระทาอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันจะไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อเคยทํามาแล้วแต่คนอื่นมันหลวงพ่อไม่ออกพูดหลวงพ่อทํามาแล้วนี่หลวงพ่อกเอาเรื่องของจริงมาเล่าให้ฟังฟองมาเล่าให้ฟังแลนสู่กันฟังก็ได้มันไม่เป็นคําพูดพูดให้ฟังตัวการกระทาพวกคุณเองพระสงฆ์องค์นึงก็ทําอย่างนั้นญาติโยมก็ทําะจ้งจวัดธรรมจริงๆอันเดียวเลย ถ้าธรรมะเป็นคนละส่วนแล้วกับไม่ใช่จิดตัดกัแล้วเ่ยทุกต้องกําหนดนี้สมุทัยต้องละตัวสมุทัยคือตัวคิดนั่นเองถ้าหักละผมคิดไม่ได้ไม่ไปละสก่อนจะละมันก็ต้องรู้จักมันคิดก่อนเห็นมันคิดเมื่อเห็นมันคิดเราก็รู้ว่ามันเป็นคิดและเปว่าเองมักต้องจะเลยก็คอยดูหน่อยๆที่หลวงพ่อพูดเหมือนแม่จะเด็ทีแรก หนูตัวโตแมวตัวเล็กหนูมันไม่เคยตัวเหน่พอดีหนูออกมามันไปจับปุ๊บแมวมันตัวเล็กหนูมันตื้นแบบวิ่งไปแมวก็ติดหนูไปพอดีนมาเหน่งกว่าหนูก็กลมไปกลมชึบแล้วก็เหมือนกัเราจะไปโทษแมวจะให้อาหารแมวพอดีแมวมันกินข้าวทุกวันทุกวันทุกวันเอหนูออกมาหนูอ้วนโตจนชิดแมวก็อ้วนโตพอดีหนูตัดปุ๊บปุ๊บย่างเล็หนูฟกตายทีเลย เพราะกำลังเมลมันมากแล้วอันนี้เราไม่สร้างให้มีกำลังเมลแต่จะสร้างให้เจนเหนูอให้เจอาหารหนูเมื่ อ, อกัดเสื้อกัดผ้าเราเรยอะมากเข้าไปมันมเป็นอย่างไง้อันนันเป็นวิธีพูดนั่นนี่ก็นหมอันนี้เป็นวิธีพูดเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นวิธีที่ปฏิบัติิแต่พูดให้ฟังเนี่ยเราต้องให้ทําผมลูกสิบตัวบ่อยๆเท่านั้นเองจะทําจะพูดจะคิด อันนั้นแหละสึงงปิบัติทำ่ว่าวันเวลาไม่ค่อยใครมันเลือเล่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปวันนี้ต้องเปิดตอนเช้าเวกาโมงมาถึงขณะนี้ก็เดี๋ยวาบายโมงหนึ่งบายโมงยี่สิบเกือบแบบยี่สิบนยี่สิบสี่ยิห้าเข้ามาเลยเจะถึงจะถึงยี่้เลยนี่น ย, ยมันตื่นเลย่ามันไปล่ไปไลไปแล้ววันนี้เราจะทำยังไง วันเวลาเราจะไม่จะได้มาทำอย่างนี้ทุกวันวันคิดบ้างวันเสาร์บ้างวันอะไรหยุดงานได้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้บรนี้ทำเมื่อวันคิดวันเสาร์ผ่านเล้วมาก่อนทเรื่องนั้นบ้างทํานื่อวันเวลาเป็นของสมบูณ์ทั้งหมเลยแมวปลาเร็วไม่ได้กินข้าวปลเร็วให้เป็ดหนูกินกระเม็ดเลยเนี่ยมักอันนี้มันซ้ำมันซ้เอาให้หนูมักเลยให้แมวมัดก็ได้เองดังนั้นควรที่ให้แมวที่แมวที่มีกำลัง ควรทาให้เกิดมากขึ้นอย่าไปทาให้คนไม่รู้มากโลกมากเพิมมากเพิ่มอย่างไรอนี่แหละวะสมุทัยงลถ้าเราไม่เห็นมันละไม่ได้อกยู่ไม่ได้เพราะมันใหญ่ไม่เต็มเท่าไอยู่ไม่ได้เพราะมันใหญ่ไม่เต็มเยินไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักหยุดเลวิไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักอาเราควระดไม่ได้เพราะหวางไม่เต็มเราก็เลยทาให้หนูดีนย เอาเงินเหรียญอยู่วางในควบมือนะมลงมันจะกขำเลย <c oughs> ใช่ไหมพอดีถ้ามันวางปั๊กมันล้นคนเดียวมันเนมัวางได้เลย